พี่ <Yeah. S 2> yeah. يا بلوا أشدهما و َ ي َ س ْ ت َ ك ِْ ج َ ك َ ن ز ه م ا رَحْمَةً م ِ ن ر َ ب ِّ ك َ ทูอันอัมรีกาลิตะว فَنَالَهُ الْأَرْضُ وَأَتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتَى َ س َ ب َ ب ً ا بِسْمِ ا ل ل ه ِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ อินน الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أ لا إله إلا ا ه و د ه ش ي ك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم بك أ ص ح ن وب ا وبك س ن ا วับิกะนะฮียะวับิกะนามูตุวะอิลัยกันโนซุรัลลอฮุมะอันตะรับบิลัยละอิลล่าอันตะ خلق ต์นิเวอานา عبد ุกะเวอานา علىعهد ิกะเวอวดิกะมัสตะตัตุอับูอุลกะบินีอัมติกะอัลเลียเวอับูอูบิดัมบีฟะห์ฟิร์ลิฟ ائن หูลาญัฟิร์ดุนอบอิลล่า ا, أ, أ الله ل ل الل ه h u m m a i n ذ i a'uzubika ن i n shari ma sunatu a'uzub kalimatillahi بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم رضيت بالله رب วบิล إسلام ดินาบิมุ h م m الرسولالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอบคุณ Allah سبحانه وتعال ีที่ Allah ให้เราเป็นมุสลิมแล้วก็ให้เราเรียนนะครับจะมีโอกาสได้ทบทวนอัลกุรอาน แล้วก็นำเอาความรู้นะครับที่ได้จากูอ่านเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราขอบคุณอัลลอฮ์นาที่อัลลอฮ์ให้เราหลับไปเมื่อคืนนี้แล้วก็ให้เราตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งด้วที่ทุกคนมุสลิมเนี่ยจะต้องอ่านจะต้องชมจะต้องนึกถึงอัลลอฮ์เพราะว่า ตอนนอนเนี่ยนบีสอนนะครับนบีมุ h a ม m a d สอนบอกว่าชาตอนเนี่ยมันจะผูกปมทุกคนเนี่ยประชากรทั้งหมดเจ็ดพันล้านคนเนี่ยมันจะผูกคมแบอบกว่าอา้าวนอนให้สบายนอนให้อิ่มนอนให้ยาวตั้งใจตอนนอนแบบไม่ต้องนมาดนะดันั้นใครที่ตื่น นะครับตื่นขึ้นมาเนี่ยลืมตาบนที่นอนเนี่ยให้นึกถึงอัลลอฮ์ให้กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดิอัคยานะบาดามะอามาตานาวาอิลัฮิมุชูเนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์บนที่นอนปมที่หนึ่งหลุดปมที่สองหลุดตอนเข้าห้องน้ําอาบน้นํานมาร อาบน้ำน้ำมาต้องอาบน้ำน้ำมาตามที่ท่านนบีได้สอนไว้นะครับอย่าอาบน้ำน้ำมาตามประเพณีปฏิบัติที่เราเรียนกันมาบางทีมันก็เรียนนะครับวิทีอาบน้ำน้ำมาแต่ไม่ได้เน้นว่าซุน่านบีเนี่ยอาบน้ําน้ำมาอย่างไงเสร็จแล้วปมที่สองหลุดปมที่สามหลุดตอนที่เข้าเสือเนี่ยมายืนอัลลอฮฺอุบัคบ พา ก, กาอัลลอฮฺอัลลอฮัลนาพรอมที่สามถึงกลุดเห็นหรือยังเนี่ยต้องอาศัยคําสอนของอิสลามทั้งหมดต้องอาศัยคําสอนของอิสลามผ่านนบีใช่ไหมอ่านดัอาใครสอนต่อยอสอนรุก ว, ว่านบีสอนอ้าวนบีสอนอาบน้า น, ำ น, ำนำมาดเนี่ยใครสอนนบีสอ น, ม, อ น, นมายืนนมาดนบีสอนความรู้ผ่านนบีทั้งหมด เป็นความรู้ที่สะอาดบริสุทธิ์มาจากอัลลอฮ์ผ่านนบีไม่ใช่ผ่านโตะยกผ่านนบีทั้งหมดฉะนั้นต้องนึกถึงนบีนบีนบีนบีนบีทำไมต้องเน้นเรื่องนบีเพราะนบีนั้นเป็นหลักอุดกานัลลกุมฟิรอสุลิลลฮิอุสวาจุลฮัซนะเพราะอัลลอฮ์ชมนบีแล้วก็แต่งตั้งนบีมามีเป้าหมายเดียวเพราะให้ท่านนบีนั้นเป็นบุคคลตัวอย่าง เป็นบุคคลตัวอย่างสำหรับทรรมทั้งหลายใครที่ต้องการจะพบกับอัลลอฮ์ต้องยึดเอารูปแบบของท่านนาบีมุฮัมมัดเนี่ยไปปฏิบัตินะขอบคุณอัลลอ์ะนะครับเราทบทวนอัลกรุรอานขณะนี้มาอยู่ในสูร์อัลกัตสุรที่สิบแปดนะครับก็เรียนมาสิบแปดปีแล้วนะ ไซนาอุมัเดเรียนตัฟซิกอูอาร์สุรอปะกรอสุรอเดียวใช่เวลากี่ปีจาได้ไมสิบสองปีไซเนาอุมัรดรอดิยาลลอฮ์หวานอยู่เป็นลูกศิษย์ท่านนบีอยู่กับท่านนบีมาตลอดรับอิสลามเสแล้วมาเรียนตัฟซิกอูอานเรียนแบบให้เข้าใจใช่เวลาสิบสองปีท่านขนาดอยู่กล้ชิกับท่านนบีนะแต่ทัมบุริลดา มีเรื่องกับเรื่องแปล ก, ปลกๆที่อยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยเรื่องใครนะคอดิษกับนบีมูซาอาเลียสระนะครับอัลลอฮ์ส่งคอดิษมาเพื่อจะมาสอนนบีมูซาคือสอนพวกเราวันนี้นั่นแหละสอนนบีมูซาด้วยแล้วก็สอนพวกเราวันนี้ว่าคนที่เหนือกว่าเรานั้นมีคนที่มีความรู้เหนือกว่าเรามีไหมมี ตรงนี้แหละจะสอนให้เรานั้นเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่นอบน้อมถ่อมตนอย่านึกคนบางคนเหมือนฉันรวยคนจะรวยมากกว่าท่านก็่มีฉันไม่มีความรู้เนี่ยคนจะมีความรู้มากกว่าท่านก็่ามีเพราะฉะนั้นคนเนี่ยต้องพึ่งกันอาจจากกุ้งอ่านที่เราเรียนสุราะนี้แหละสอนให้เรานะครับให้นอบน้อมถ่อมตนต่อนเรา ใน เ, เรื่องหนึ่งของดีๆเนี่ยมาจากใครอัลลอฮ์ให้ทั้งหมดต้อโยมกับอัลลนะอฮ์ทั้งหมดนะของดีๆทั้งหมดความรู้เนี่ยใครให้อัลลอฮ์ให้เนี่ย ท, ที่มานั่งเรียนตับฟิกระหลังนะมาสุโบเนี่ยอาทิตย์ละชั่วโมงนะอัลลอฮ์ให้คนที่ฉลาดคาเรวะซากินะฉลาดคําจําดีอะไรดีใครให้อัลลอฮ์จ่า บางคนเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องฟังแล้วแบบไม่รู้อธิบายไม่ได้อะไรไม่ได้อาไปสอนต่อไม่ได้บางทีสอนทิศนั่งฟังกันสิบคนเนี่ยเดี๋ยวออกไปบรรยายแดี๋ยวตัวอย่างรายย่างระยย่างไม่เคยเหมือนกันไอความไม่เข้าใจเนี่ยเดี๋ยวนี้ตอนพระอาจารย์ละาลาก็ให้เหมือนกันแต่เราก็ต้อง น, อนอ้อมน้อมถ่อมตนต่อองค์ สรุปในศาสนาอิสลามเนี่ยสอนให้เป็นคนดีนะไม่ได้สอนให้เป็นคนเก่งให้เป็นคนดีนะแล้วก็เข้าใจศาสนานะเอาว่างนาบีมูซากับคอด็ดนี่มีเรื่องร้ายๆมีเรื่องแรงแงมีเรื่องดีๆสามเรื่องด้วยกันขอสรุปนะครับ <c oughs> นบีมูซานี่ยเดินทางกับใครนะคอด็ด ขดดบอกว่าท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางไปกับฉันได้หรอกท่านไม่สามารถที่จะอดทนได้หรอกนะฉันจะต้องทํานูน่ทนทานี้แล้วก็ห้ามห้ามค้านห้ามต้อห้ามอะไรนะห้ามค้านเรื่องที่หนึ่งออกเดินทางไปฮัตตาอีลารอกีบาปิสซาปีนะเมื่อทั้งสองคนเนี่ยเดินทางลงเรื อ, อการลงเรือครั้งนี้เนี่ยไม่ต้องจ่ายสวตัง เจ้ของเรือก็ให้นั่งฟรีตรงนี้ก็มีความรู้สำหรับพวกเราอีกใครที่เป็นกิจการมีกิจการอะไรก็ตามให้คนนั่งฟรีบ้างก็ได้ค้าขายมีรงมีร้านแถมบ้างก็ได้ให้ฟรีบ้างก็ได้ใช่ไหมมีรถจากหมู่บ้านมีตสภาพไปพระขนมให้นั่งฟรีบ้างก็ได้อย่างเงี้ยนะแจกแจกกันบ้างนะครับนะทีนี้ <c oughs> พอนาโเดสลงเรือเนี่ยคอรอกอาเจาะเรือโอ้ดิเป็นความรู้ใหม่สํบบ า, า, า, า, า, หาหรับนบีมูซามากเบมูซาคานก่อนอะอัครอตฮาหรตุ๊กเรียกอ่านนะฮะคุณต้องการที่จะเจาะเรือให้ชาวบ้านชาวเรือที่นั่งอยู่ในเรือเนี่ยจมน้ําตายกันนั้นหรืออันนี้เป็นตัวในเรื่องเรื่องเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเข้าไปในเมืองเมืองหนึ่ง ล้วก็ไปเจอเด็กคนหนึ่งเนี่ยกำลังอะไรนะเล่นๆก็อยู่หน้าตาหล่อดีอะไรดีคอดิสเดินไปมาถึงจับเด็กแล้วก็เอาหินทุบหัวตายโลอัะกุฟัสเนี่ยเรื่องทั้งหมดนี่มาเรียกเาเรียกว่าอันซีนเรื่อ ง, งเล็ออเเทั้งหมดเลยไม่มีใครรู้นบิมเอานาบีมูซาก็ไม่รู้ว่าทำทำไมแต่คอดิสมีคำตอบเรื่องที่สามนะครับเข้าไปในหมู่บ้าน ต้องการจะให้คนในหมู่บ้านนั้นต้อนรับต้อนรับแขกแต่คนในหมู่บ้านไม่ต้อนรับเนี่ยอันนี้ก็สอนอกีกการต้อนรับแขกนั้นเป็นศาสนาแต่หมู่บ้านนี้ไม่ต้อนรับก็ไม่มีปัญหานี่ยเอาล้อเล่าให้ฟังเขาไม่ต้อนรับมีไหมมีเพราะเขาไม่เข้าใจศาสนาเขาก็ไม่ต้อนรับอพอเสร็จแล้วพอออกเดินออกมามาเจอกำแพง ท, ทํานพาจะล้มแล้ว ขดดิพยุงกำแพงขึ้นมานบีมูซ่าคานพยุงทำไมป่อเห็นพังเอะถ้าหากจะแต่หาจะทำก็ต้องมีอะไรนะค่าแรงค่าจ้างทำไมอัลลอฮ์เล่าเรื่องค่าจ้างนะครับทีอ่านต้องการให้มุสลิมวันนี้คัดใช้ใช้ปัญญาว่าการจ้างคนให้ทำงานนั้นไม่ผิดหลักอิสลามคุณอ่านเพราะผู้อ่านผูดไว้อัจรอรไรค่าจ้าง่าแรงค่าจ้างกาแรงที่นี้ ที่สเรื่องเดีวยวกันทีนี้สามเรื่องนี่ที่ที่คอดิททำแล้วบรรดามูซาค้านค้านครั้งแรกครั้งแรกที่ค้านเนี่ยมูซาตอบว่าไงนะเพราะชาตอนทําให้ฉันลืมแต่ครั้งที่สองเนี่ยตั้งใจค้านเลยสรุปก็คือว่าคนที่มีาศาสนาคนที่มีความรูดด้ด้านชริยะด้านศาสนานี่ยนะเจอของ ผิดๆเนี่ยทนไม่ได้ต้องอะไรต้องเตือนต้องบอกอต้องแนะนําเหมือนกับพ่อเห็นภรรยาทําผิดเห็นลูกทําผิดจะปล่อยเหรอแล้ ว, วก็ไม่ปล่อยอนะครับนี่นะทำนี่ท ำ, ท ำ, ท ำ, ทำนี้อย่างนี้นี่ไงเขาต้องการจะอธิบายว่าคนมีาศาสนาเนี่ยเวลาจะเห็นคนทําผิดเนี่ยมันอยู่ไม่ได้แหละมือมันสั่นปากมันกันอยากจะนั่อยากจะเตือนอยากอยากอยากจะบอกกันไม่เปทนนัก มมีคำถามถามดีว่าบอกนะวิธีบอกบอกอยังไงคำตอบก็คือว่าถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยก็บางทีตอบด้วยภาษาแรงๆบ้างก็ได้อย่างนาบีเห็นชายคนหนึ่งยกตัวอย่างนะนบีเห็นซอบ้าคนหนึ่งเ น, นีน่ยอาบน้นำนาำอาบน้ำนาตแบบไม่ทั่วเหลือตะตุ่มไปนิดนึงใบหน้าเนี่ยล่างทั่วแขนล่างทั่วศีรษะเช็ดทั่ว แต่ตาตุมเนี่ยล่างไม่หมดน บ, บีเห็นเป็นรอยขาวโพนที่ตาตุมน บ, บีใช้ภาษาแรงไวรุ่นลิลอ่ากนารกตะตุมคุณนะ่ะจะจะถูกไฟนรกล ว, วกก็ตัวอย่างบนบน้องเนี่ยใช้ภาษาค่อนข้างจะแรงใอะไรต้นๆฉะนั้นก็ต้องดูอีกว่าเราคุยกับใครนะครับแต่นี้ในคาเฟ่กุ็อ่านอธิบายอีกเวลาคุย นึกถึงการสั่งสอนอบรมคนเนี่ยมันก็ต้องใช้ภาษาดีๆเช่นอัลลอฮ์บอกกับนบีมูซากับไครนะฮารูนไปหาฟิรูนเนี่ยให้พูดนิ่มๆพูดเพราะๆใช่ไหมก็ต้องมองว่าฟาโร่คือใครฟาโร่เป็นคนเลวที่สุดต้องพูดดีๆใช่ไหมคือจะไปสอนนอนมุสลิมก็ต้องพูดจาดีแต่ว่ากับกับกลุ่มกลุ่มเราเองเนี่ย กับมุสลิมด้วยกันเองเนี่ยมทีมัมก็ใช้สับแรงๆบ้างก็ได้ใช่ั้มไม่ผิดเนี่ยความรู้ที่ได้จากคาพีธีุปารที่เราที่เราอ่านพบมาเอาวันนี้นะครับอายาที่ไฉนะอายาที่แปดสิบสองนะครับที่ว่ากำแพงนี่นะกาแพงที่ว่าเรือเอาเอาเรือก่อนเรือที่เจาะเรือ น, นี่เพราะอะไร เพราะเรือนั้นเป็นของของคนยากคนจนของมาซาคีนคำถามยิ้วว่าคนจนมันมีเรือคนมิสกินทำไมมีเรือคำตอบก็คือบางทีเรือนัะนะหาไม่พอก็ได้มันอาจจะเป็นของหุ้นส่วนกันหลายหลคนครับอธิบายดีนะทศเสียอธิบายดีมากานะคนจนทำไมมีเรือ มสซากีนทําไมมีเรือวิ่งในมหาสมุทรคนที่เป็นเจ้าของเรือในมหาสมุทรมันจะคนจนนะเมืองไทยเราวันนี้ใครที่มีจะเป็นเจ้าของเรือเนี่ยคนรวยนะแต่ในก็คติคุณอ่านพูดว่าเีือมาากีนเป็นเรือขอรับคนยากคนจนตรงนี้ต้องอธิบายอย่างนี้บางทีไอเรือที่มีอยู่เนี่ยยังหารายได้ไม่ได้ก็ได้อย่างคนที่มีเรือประมวงวันนี้น่ะเอาปจ่าปลาที่ไหนแล้ว พอปลาเมืองไทยหมดแล้วถูกจับจับกันจงเปรี้ยงหมดแล้วต้องเลยประจับที่ประเทศสุมาเลียนุ่อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมอันนี้กว่าจะออกไปจับก็มาใชรเรื่องง่ายต้องลงทุนเยอะนี่ก็ทายเป็นคนมิสกีนได้เหมือนกันต่อมาข้อที่สอง่าเด็กฆ่าเด็กเพราะคอดิรรู้ว่าลูกคนนี้นี่นะผ่าตเป็นหนุ่มแล้วนะ จะยุยงพ่อของเขาและแม่ของเขาให้ไปพูดทรยศต่ออัลลอฮฺสุบฮานาอูบานาลาและต้องการต้องการจะบอกว่าพ่อกับลูกเนี่ยนะครอบครัวใดทุกทุกครอบครัวนี่แหละลูกทําผิดเนี่ยพ่อไม่เคยเห็นแม่ก็ไม่เคยเห็นหรอกถ้าเห็นแล้วก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้นี่นี่นี่นี่ต้องการจะอธิบายให้ฟังเหมือนกันว่า ทุกครอบครัวนะมองลูกตัวเองนี่นะถึงจะผิดขนาดไหนก็มองไม่ไม่ก็ เ, เห็ น, ท, นทําเป็นเฉ ย, ยใช่ไหมแต่ลูกชาวบ้านผิดเนี่กูเล่นแรงเลยนะแค่นั้นกูอ่านนิสอนนะกูอ่านสอนจำไว้แค่นั้นพ่อก็ต้องฉลาดแม่ก็ต้องฉลาดลูกผิดก็ต้องตักเตือนต้องอบรมอย่าไปปิดบังใช่ไหมคอดิจัดการเลย เรื่องที่สามก็คือเรื่องเนี่ยกำแพงลม <c oughs> กําแพงจะพังเสร็จแล้วก็คอเดทเนี่ยพยุงกําแพงให้อะไรนะตั้งให้ตรงคําตอบก็คือพยุงทําไมว่าอัมมัลจิดารจิดารนี่แปลว่ากําแพงนะครับนักเรียนที่เรียนภาษาอ раб เนี่เรียนเรียนวิชาภาษาอรับเนี่ยนะต่อเอาศัพท์เหล่านี้ท่องให้จําด้วยว่าอัมมัลจิดาร กี่ดาัวว่ากำแพงฟังกันนั่งลูลนีไมนฟิมาดีเป็นของอหูลาไมเนี่เป็นเด็กชายสองคนเป็นโถพศนะเรี i n ลูลาไมนี่กำแพงนั้นนะครับเป็นของเด็ก เด็กยาตีไหมนี่เด็กกัมพาสองคนกูลาไหมนี้เด็กผู้ชายกัมพาสองคนอยู่ที่ไหนฟิลมาดีนะอยู่ในเมืองหลวนในอายาก่อนนะพูดพอริยะนบีมูซากับพอดิสเข้าไปในตำบลหนึ่งแสดงว่าตำบลกับมาดีนเนี่ยเป็นเมืองเดียวกันนะ ทำไมต้องพยุงกำแพงเพราะกำแพงนี้เป็นของเด็กเด็กอะไรนะเด็กกำพร้าผู้ชายสองคนนะอยู่ในเมืองนี้วากันตาขะตาหูกันจุนละหูมาและใต้กำแพงตาขะแปลว่าใต้ข้างล่างนะข้างล่างกำแพงหรือใต้กำแพงนั้นกันจุนกันจุนนี่แปลว่า คลังคลังคลังคลังที่เก็บทรัพย์สมบัติที่เก็บทรัพย์สมบัติเขาเรียกว่าคลังนะหรือว่ามาลุลกซีรุนเงินเยอะนะครับลหูมาเป็นของใครเป็นของเด็กทั้งสองคนนั้นนะครับวากาณาอบูหูมาฟอริฮะอบูหูมาแปลว่าพ่อของเขาทั้งสอง พ่อของเด็กกำพาสองคนนั้นพ่อเป็นคนแบบไหนซ้อหละซ้อแหละมันจะชื่อซอนแรกนะซอนแรแปลว่าไรเด็กดีพ่อดีเห็นไหมเราได้ยินคําว่าซอนแรกซอนแรกมาตั้งห ล, หลายหลายครั้งใช่ไหมเช่นอะไรวาเลนซล์โซเลหุนลูกที่ดีทํำไรถึงพ่อแม่ขอดูอาถึงพ่อแม่ ตัวว่าคนดีไม่ว่าลูกดีพ่อดีนี่อลัลลอฮ์รักษานะ่ะอ้าวลูกดีพ่อตายไปแล้วอลัลลอฮ์รักษาพ่อของเขาให้ได้เข้าสวรรค์ให้ลูกขอตัวถุวันทุวันทุกวันทุวันผลละบุญไหลไปถึงกูโบของคนตายไปสวรรค์ได้ด้วยวันละดุลซ้อนแหละลูกดีแต่เนี่ไอ้ลูกดีเนี่ยก็พ่อก็ต้องดีดิก่อนตายพ่อก็ได้นะ ไม่สอนเองก็ส่งมาอยู่โรงเรียนส่งไปอยู่ต่างประเทศส่งไปเรียนาศาสนาต้องมีเงินมีทองอัลลอฮ์ต้องวางแผนต้องคิดเพื่อจะให้ลูกเป็นคนดีเนี่ยแน่นอนอ่ะแต่ตรงนี้พูดถึงพ่อกาณนาะอบูอุมาซอลแหละพ่อของเขาต้องสองนั่งเป็นคนสอนแหละอัลลอฮ์เห็นอย่างพ่อสอนแล้วพ่อดีเนี่ยดูแลลูกได้เห็นอย่างอะ่ะขนาดตายไปแล้วนะ พ่อตายแล้วนะครับแต่พ่อก่อนตายเป็นพ่อที่ดีเอาคำว่าดีเนะี่ยอย่านึกเองอย่านึกเองว่าดีนะอะไรบ้างต้องนึกนะันนึกตามสุนนะอับบีแหละหนึ่งมีอีมานใช่ไหมสองเข้าใจศาสนาสามอัคลากดีสอะไรบ้างมานนาที่มัสยิดอยู่เป็นประจำใช่มสนใจศาสนา ดูแลลูกเอาใจใส่ลูกใช่ไหยติดต่อกับญาติพี่น้องไม่ทะเลาะกับญาติพี่น้องต้องเป็นคนดีเนี่พี่น้องเพราะคนดีนี่ยพ่อตายไปแล้วอลัลลอฮฺรักษาลูกของเขาใช่ไหมทีนี้รักษาอย่งไรไม่ใช่รักษาลูกอย่างเดียวนะรักษาทรัพย์ของเขาด้วยอีก อ, อ, อัลลอฮฺอัลลาฮฺแค่นั้นก่อนตายเราต้องห่วงลูกห่วงไหมห่วงห่วง ผัวเมียอ้าวเม ย, ยังสาวๆอยู่นัละผัวตายแล้วเพห่วงเมียไอ้เมยมันต้องไปห่วงเยอะเพราะคุณอ่านพูดเอาไว้ถ้าอาไปแต่งงานใหม่ผู้ชายอาจจะดีกว่าเราก็ได้แต่ลูกน่ยมันลูกของเราทำไงอ้าเราก็ต้องนึกอีกอ่าลูกโ อ, กอกาโหรือว่านั่นถ้าเราดีเราก็ต้องให้ลูกเรานั่นเป็นคนดีเหมือนเรา เวลาเราขอกลาลูกขอดุอิศผลลบุญถึงเราด้วยอัลลอฮฺอาบหอบูฮูมาซ่าแหละพ่อของเขาเนี่ยเป็นคนดีพอเป็นคนดีปั๊บเนี่ยอัลลอรักษาอะไรรักษาพ่อให้อยู่ในสวรรค์รักษาทรัพย์สินที่จะให้ลูกระซึ่งเป็นเด็กกำพร้าก็รักษาไม่ให้ใครมาเอาทรัพย์สินของลูกของเขาใช่ั้ย รักษาลูกของเขารักษาทรัพย์สินเขาด้วยเห็นอย่างนั้นการเป็นคนดีเนี่ยสรุปเป็นคนดีดีที่สุดไม่ใช่รักษาตัวเองอย่างเดียวนะรักษาลูกด้วยรักษาทรัพย์สมบัติของเขาด้วยแล้วก็อามันอิบันดาของเขาก็ดีด้วยฉะนั้นคนเป็นคนดีพี่น้องคนมีศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์รักษาสามอย่างนะหนึ่งรักษาศาสนาของเขาอาย่กับเขาสองรักษาลูกของเขา สามรักษาได้อีกทรัพย์สมบัติของเขาด้วยจากุรออนญาี้นะครับวกาณตาหูกันจุลลาหูมาใต้กำแพงนั้นมีกันจุนมีอะไรนะมีคลังหมายถึงมีเงินมีทรัพย์สินเยอะในตัศทิศอธิบายว่ามีอันนั่นมีอะไรมีทองเป็นทองแท่งๆฝังอยู่ ทำไมต้องฝากใต้ดินทำไมไม่เอาเอาเก็บธนาคารคำตอบก็คือธนาคารวันนั้นมียังยังไม่มีใช่ไหมก็ฝากไว้ใต้ดินใช่ไมวันนี้เงินต้องฝากธนาคารไหมต้องฝากใช่ไหมแต่นี้มันมีการฝากแบบสองอย่างฝากแบบกินดอกเบี้ยกับฝากแบบไม่กินดอกเบี้ยฝากกินดอกเบี้ยก็พันธนาคารพันนิ์ก็ฝากไปเลยกินดอกเบี้ยใช่ไหมนั่นนะบาปเอาไฟเข้าบ้าน ฝากอย่างหนึ่งก็ลงมืดอดรอบาตามสหอะไรสหกรอมทรัพย์ต่างๆทั่วประเทศที่เรามีกันอยู่ไปฝากไว้ตรงนั้นอัลลอฮฺบัดบัดไม่มีอะไรเลยพี่น้องดอกเบี้ ย, ววยไม่มีอะไรไม่มีมีแต่เงินเงินฝากอีด้าเงินประโยชน์จากการค้าขายอย่างนี้เป็นตนนั้นสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ต้องฉลาดวันนี้ตจงมองอะไให้ออกนะมีเงินพ่าตัวเองตกตงนรกพาทํำไมมีเงินก็ต้องพาเราเข้าสวรรค์ให้ได้ใช่ไหมอย่างนี้เป็นตัวนะ วกันาใต้หูกันซุลละหูมาวกันาอบูหูมาซอลห์ฮะใต้กำแพงมีกองคลังนะครับสำหรับลูกสองคนที่เป็นกัมพาว ก, ก, นกนันกาอบูหูมาซอลห์ฮะและพ่อของเด็กทั้งสองเป็นคนดีคนดีสรุปหนึ่งอิบาดาของเขาดี อัลลอฮ์รักษาอิบาดะของเขาดีสองรักษาลูกของเขาให้เป็นคนดีสรักษาอะไรอีกทรัพย์สมบัติรักษาสมอย่างนะคนดีเนี่ยอัลลอฮ์รักษาเขาสามอย่างนะหนึ่งรักษาตัวของเขาดีอามันอิบาดะของเขาดีสองรักษาได้อีกรักษาลูกของเขาสรักษาทรัพย์สมบัติของเขาคือน้องเห็นอย่างกับ ไม่ใช่ดีจะพอพ่ อ, พอรอลูกก็ไปถึงลูกด้วยอพี่น้องทีอย่างอย่างพี่น้องชาวอคอนเทตเนี่ยไปต่างจังหวัดกระทามาจากไหนมาจากอคอเทตรู้จกกักอาจารยร์มาฟ้าไหมแค่แค่รู้จักกันธรรมดาเข้าให้เกียรติน่ะอ๋ออ๋อเชิญเชิเชิญเชิเชเชไฟรถลูกชายผมไปไห น, น, น, น, นไปเมื่อวันนั้นไปคลองอะไรสักแห่งหนึ่ง ถามมาจากไหนออกมาชาวกรุเทพดูจักมูซาบะผมเป็นลูกว่าลูกปั๊บเนี่ยเชื่อกใจเลยเ <laughs> ชื่อใจเชื่อใจมาต้อนรับเด็กมันเห็นโ อ, โอ๋อเราอาตุวะนี่ไงกู อ, าอ่านอัจฉรินีสสอนที่น่ารักเป็นคนดีดีกว่าพี่น้อนงคนดีพอคนดีปั๊บเนี่ยอล๋อให้สามอย่างนะหนึ่งอามัลอิบาดะของเราเอา๋อพอใจสองอะไรพอใจอีกลูกเนี่ยเรอดทางสาลูกอีกนะ ข้อที่สามรักษาอะไรอีกทรัพย์สมบัติ o, อัลลอฮฺอักบรอย่างนี้เป็นต้นนี่ทำไมต้องเล่าในการพิมพคุณอ่านเพื่อให้คนอ่าน mm hmm. คนอ่านวันนี้นะใช้ปัญญาเ อ, อ้เอาต่อมาครับฟาอารอดารอบบูกะไอยาเบลุกออาชุดดะฮูมาฟาอารอดารอบบูกะไอยาเบลุกออาชุดดะฮูมา และพระผู้อาภิบาลรบบัรบบุกูรับบูก้าแปลก่อนพระผู้อภิบาลของท่านทรงอารอดทรงปรารถนาอายาบรลูทีจะใหส้สองคนเนี้บรรลุถึงความเป็นผู้ใหญ่อลัลลอฮ์ต้องการที่จะให้ลูกยาเตมสองคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยเป็นไร น, นะบรรลุเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ต่อมา จึงได้รักษาเงินของเขาที่พ่อเขาทิ้งไว้ใต้กำแพงเนี่ยดูแลเอาไว้เพื่อจะให้ลูกของเขาเนี่ยโตบรรลุนิติภาวะก่อนเห็นยังอลัลลอ์รักษาอัลลอ์อัอลวาต้ อ, ก อ, อกงการจะบอกว่าอัลลอฮ์รักษาจริงๆนะไม่ใช่ภาษาธรรมดานะรักษาจริงๆอ่ะเล่าให้ฟังอา่าเล่าเล่าจริงๆแล้วต่อมาครับ วายาสต์ทริจกันจัฮุมายัสต์ทริจักเปวให้ทั้งสองนั้นเอาทรัพย์สมบัติออกมาพอลูกโตใช่ไหมบรรลุนิติภาะวะก็เอาทรัพย์สมบัติที่อยู่ใต้กำแพงนี้ออกมาในตัศซิท์อธิบายดีนะอธิบายอย่างนี้ถ้าหากคอเดสเนี่ยไม่พยุงกำแพงตั้งให้ตรง คนก็จะเห็นทรัพย์สินอ่ะที่อยู่ใต้ใต้ใต้กำแพงแล้วก็ใครที่จะไปเอาทรัพย์สินนั้นออกมาเนี่ยในภาษาอุดุออธิบายดีก็ว่าบัดเนียรคนที่ใจสกรปรกคนที่เนียดไม่สะอาดเมื่อเห็นทรัพย์สินของใครก็ตามแต่ตาวางอยู่เนี่ยกองกองอยู่เนี่ยไอ้คนใจสกรปรกเนี่ยมันจะเข้าไปเอาขอนเพื่อนเลยแทนที่จะนึกถึง จะของเขาไม่นึกไปเอาก่อนเนี่ยสอนเราหลายอย่างนะเราเนี่ยเดินเดินไปไปเจอเงินยกตัวอย่างนะเจอเงินร่วมอยู่ห้าพันหน้าศาสนูประถมเนี่ยถามว่าจะหยิบหรือไม่หยิบ <c oughs> เจอเงินร่วมอยู่ห้าพันจะหยิบหรือไม่หยิบนราเรียนหยิบไหมหยิบระคาเฉยใช่ไหมล่ะ <c oughs> นั่นแหละนบีศอนนะ ถ้าถ้าใครหยิบเงินนั้นไม่ใช่เงินของคนหยิบจะของเขามีพอหยิบ ป, ปั๊บนะต้องประกาศนะนี่เงินของใครฉันพบทัศนะอิมามชาฟีต้องประกาศประมาณปีหนึ่งอะถ้าไม่หยิบได้หมได้ไม่ใช่ของเราไปหยิบทำไม น, นี่สอนเราหลายเรื่องนะอายาเดียวนะสอนเป็นสิ บ, ส, บสิบเรื่องอ่าเพราะฉะนั้นวันไหนไปเจอของ ของโลนนะไม่ต้องไปยิบผ่านๆไปจใช้ใครจะยึดคหยิบไปจะนั้นถ้าหยิบ ป, ปั๊บเนี่ยเป็นหน้าที่เลยจะต้องประกาศหลังจากหนึ่งปีไปแล้วเพิ่งจะเอามาใชา้ถ้าเป็นคนจนเอามาใชา้ถ้าเป็นคนรวยห้ามใช้ก็ให้มาบริจาคให้ที่มัสยิด <c oughs> กันต่อไปนี่คือหลักอิสลามเหม่นดังอนอีน่ยความละเอียดความดีของอิสลามเนี่ยสอนชีวิตมนุษย์ไปหมดเลย อา้อาวมะขับวายัสต์ทักริจากแนซหูมาแล้วก็จะให้เด็กสองคนเนี่ยเอาอะไรนะเอาเงินที่เก็บไว้ใต้กำแพงเนี่ยออกมาตอนเอาออกมาเนี่ยอัลลสอนรอฮมาตันนี่แหละเป็นความเมตตาแล้วอ้าวใครที่มีเงินฝากไว้พี่น้องอย่างพ่อฝากเงินฝากเงินฝากเงินฝากเงินไว้ให้ลูกอะ พลูกบรรลุนิติเพราะว่าเราลูกก็ไปเบิกนั่นแหละลูกต้องเข้าใจว่าที่พ่อสะสมเงินเอาไว้นั้นเป็นอะไรรักมักเป็นความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานาอูบานาต้องสอนเราต้องสอนลูกลูกอย่าลืมเนี้มันจะเอาล้อให้นะเนี่ยพ่อฝากเงินไว้ลูกนับเบิกไม่ได้ตอนนี้ก็เบิกไม่ได้เบิกก็ตอนไหนตอนจบปิาตรีแล้วอายุยี่สิบห้าหรือสามสิบันทึกไปเลย สอนให้ลูกว่านี่เนี่ยนี่นรักมาของอนะัลลอ์นาเนี่ยรักมาที่อัลลาห์ให้กับพ่อแล้วก็ให้กับลูกด้วยรักมาจันจากไห้มิร์ บ, บิกะจากพระผู้อภิบาลของท่านขอดิษตอ่านต่อไปอีกว่ามาฟะอัลตูฮฺอันอัมรีตรงนี้ดีมากครับที่ฉันทำทั้งหมดนี่นะว่ามาฟะอัลตูฮฺ ฉันมิได้ทำสิ่นนั้นตามอำเภอใจของฉันอันอัมรีฉันมันจะคิดเองก็งไม่ได้ทาเองที่พยุงกาแพงเนี่ยไม่ทำเองหรอกใช่ไหมแต่ที่บอกว่าเป็นของเด็กกำพร้าเนี่ยเอาล่อเล่าววาฉันฟังพอลูกของเขาโตจะได้เอาเงินออกมาเนี่ยเอาล่อเล่าทั้งหมดฉันไม่ได้คิดเองไม่ได้ทำเองใช่ไหมไปนอนต้องไย สังเกตในคัมภีร์กุรอานที่ผ่านมาสองสามอายันมันมีสามดูสาคำนะอารอดตูอารอ ด, ดนาและอีกคำหนึง่งอารอดาคุณนี้มีอารอดาใช่ไหมฟาอารอดารอ บ, บูกะอารอดาแปลว่าเขาประสงค์อารอ ด, ดตู่ฉันประสงค์อารอ ด, ดนาเราประสงค์สังเกตจากกุรอานนี่ไปน้องบุรุษมากกอ็อธิบาย อารอดตูอารอดนาเนี่ยว่าฉันต้องการฉันมีความอยากฉันมีความประสงค์เรื่องไม่ดีทั้งหมดอ่าเรื่องเนียดไม่ดีจะเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนั้นอัลลอฮ์เล่าในคอุตอารอัลลอฮ์พูดแบบฝาอารอดฝ่าอารอดนาฝ่าอรอดตุฉันผสมมาจากตัวของฉันเองเรื่องไม่ดีเรื่องไม่ดีเนี่ย ส่วนใหญ่มาจากตัวเองอามารุฟอาอัอดรอบบุก ะ, ะพระผู้อภิบาลของท่านเนี่ยสมประสงค์ใช่ไหมฉะนั้นเรื่องอื่นๆเนี่ยมาจากอัลลอั์งหมดเนียดดีมาจากอัลลอ์เนียดไม่ดีมาจากตัวเองเช่นฉันอวยบุฮานบีนบีออนบอบคอนดิสว่างนะฉันต้องการจะเจาะเรือ ไอจอดเรือน่ะดีหรือไม่ดีไม่ดี ม, ดมาจากใครมาจากตัวเองขอดีิษไม่ได้พูดว่าอัลลอฮ์ให้เจอดนะฉันเจอดเองนีิจการชายภาษาดีมากเลยสําหรับครั้งที่อยู่ใต้ดินเนี่ยอัลลอฮ์ต้องการจะให้รักษาทรัพย์ของเด็กกัมพาอ้างถึงอัลลอฮ์ตุพานะฮุบัติอัลลรักษาทรัพย์อ้างถึงอัลลอฮ์ทำลายเรือฉันทําเองได้ไหมก า, ารชายภาษาดีไหม ดีมาก เ, เพราะฉะนั้นของดีๆให้โยมกับใครโยมกับลอทะเลาะกับเมียเนี่ยโทษทลเลาะได้ไหมได้เปล่าฉันทําเองปลุกภรรยานามาตยุทธ์หรือภรรยาปลุกสามีนามาตยุทธ์โยงกับใครโยมกั บ, กบอัลล <c oughs> อฮ์อัลลอฮ์ห ใ, Allah, ให้ฉันตื่นมาคืนนี้ได้นามาตยุทธ์สองของเรากระอัดวิเต็ดอีกหนึ่งแล้วก็มานามาตที่มัสยิดก่อนจะมาปลุกภรรยา โยงกับอัลลอฮ์สุภาโนวน่ะแหลส่วนการด่าภรรยานะ่ะอย่ายโยงกับอนะัลลอฮ์น่ะฉันทาเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ครูอานีสอนนะครับเรื่องดีโยงกับใครอัลล์เรื่องไม่ดีโยงกับตัวเองหรือโยงกับใช้ใตอนอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะทีนี้ก่อนหน้าอายาเนี่ยแปดสอง่ะมีอายที่ปดอ่ะขอดูนิดนึงพีน่ น, น, น, น, น้อง ฟาอรดนาอายุบัดดิลหูมารอบบูหูมาคอยรอมมิหุจะกรตันที่นี่ขอย้อนย้อนนิดหนึ่งนะเพราะมันมันมันมันมันเข้าใจง่ายแล้วเป็นอย่างนี้ที่คอดิสฆ่าเด็กเข้าใจนะที่คอดิสฆ่าเด็กเนะี่ยถามว่าพ่อแม่เสียใจั้ยเสียใจนะักธพี่คุงอ่านบอกว่าไงรลยไหม ขอดูอาต่ออัลลให้พ่อแม่คนนี้เนะี่ยได้ลูกที่ดีกว่านะขอให้ได้ลูกที่ดีกว่าลูกที่คอดิษฐ์ข้าไอ้คำว่าลูกที่ดีกว่านี้นะอธิบายยังไงนะคำว่า z ก k a t a n k h a y r a m i อ b ร z a k a า a n wa akroba ruhama มีศัพท์าอยูส่สองคำนะ zakatan า ก, ากับ ruhama จักตาตันแปลว่าสะอาดบริสุทธิ์หรือว่ามีคุณธรรมมีความบริสุทธิ์แล้วก็รัวมาแปลว่ามีใจเมตตาธรรมลูกที่เขาจะมีใหม่นี่นะแทนลูกที่คอดิสค่าเนี่ยมีสิทัต์อยู่สองข้อตรงนี้สอนเรามีลูกเนี่ยให้นึกถึงสองข้อนี่แหละนะข้อที่หนึ่งให้ลูกนั้นมีาศาสนา อ่าคำว่ากาศเนี่ยลูกมีศาสนาเข้าใจศาสนายังไม่พออีกลูกต้องมีอัครากที่ดีมีนิสัยดีนี่เลี้ยงลูกไปน้องทุกครอบครัวเลยทั่วโลกนี่นะอลัลลอฮสอนนะการอบรมลูกให้มีสองอย่างพอจะจบวิชาได้เชิญจบวิศวะเชิญจบแพทย์เชิญเรียนไปเถอะ แต่ลูกสรุปแล้วต้องมีสองข้อหนึ่งต้องเข้าใจาศาสนาสองตง้องมีอัคลาก ด, ดีนิสัยดีอา้าวสังเกตเวลานาบีสอนนะเวลาใครท่านมีลูกสาวยกตัวอยา่างท่านมีลูกสาวถ้าหากมีผู้ชายที่มีนิสัยสองพ่อมาขอลูกสาวท่านพ่อ พ่อของผู้หญิงเนี่ยให้พิจารณาสองข้อพออะไรบ้างศาสนาของเขาใช่ไหมศาสนากับอัคราพนิสัยแค่สองคนนี้เนี่ยนบีประกันอัลลอฮ์ประกันว่าถ้าเรามีลูกสาวถ้ามีผู้ชายที่หนึ่งมีอดีนดีนะฮูวาคูลูกอูมีเข้าใจศาสนาเป็นมุสลิม รู้จักอัลลอ์รู้จักราซุรูร้จักบิญารู้จักสุนนะรู้จักชิริกรู้จักบิญาอะไรบิญารสุนนะรู้จักใช่ไหมตาห่าใิ้กับชิริกแยกแยะออกโอ้ฮามดนลิลละนิสัยดีสองข้อนี้พอแล้วอัลลอฮ์ประกันใครที่เลี้ยงลูกให้มีสองข้อนี้เด่นๆตามคุณอานายาเนี่ย8ปดสิบเอซุร อ, ร อ, รอกฟรีเนี่ย นั่นแหละเขาเรียกว่าคอยรอ ม, มินบูแจกตาโนอากรบารุหมาลูกที่ดีของเขาในความบริสุทธิ์และมีใจเมตตาธรรมมะยึงสงสารคนมีนิสัยดีอุลมะสรุปโอลโลพี่น้องเอาังนั้นเราวันนี้เนียดใหม่นะมีลูกมีหลานส่งเรียนหนังสือไหมส่งแต่เมื่อส่งเรียนหนังสือแล้วมีความรู้แล้วต้องมองลูกสองอย่างดีหนึ่ง เข้าใจาศาสนาสองมีนิสัยดีนิสัยดีอธิบายอย่างนี้อักขระเขาเป็นิสัยดีอย่างเดียวนะอัคราคดีนะอัคลาคดีเมื่อลูกได้ยินเสียงอาจารย์ที่มัสยิดทําไงไปนั่งานไม่ใช่นอนนี่ไงอัคราคดีแค่ข้อเดียวเนี่ยไปน้องโอโลนี่ทำงานจะทํา ย, ยาก อัลลอฮ์อ่านตัมซีอันฮะดีสอัลลอฮ์สอนให้ลูกเป็นคนดีข้อที่หนึ่งอัครลากดีเมื่อได้ยินเสียงอาจารย์ี่มัสสีดอัลลอฮวาบัลลอฮุอะบัตลูกอลมาณามาตแปลงฟันเดินมาสู่เรานี่นะอัคลากดีอา้าใครที่สอนลูกได้อย่างนี้เตรียมตัวไปสวรรค์ได้เลยลองตายดูตายดูนะตายแล้วก็ไปสวรรค์ทั่วเลยเพราะสอนลูกดีเอาไว้ตัวลงสรุป อี่ข้อสองหนึ่งเข้าใจศาสนาสองมีอัคลาดีนิสัยดีขอโทษ น, นิ่มโยนไปโยนมาต่อมากับประยชน์ที่อายะหัยนะอายะชีแป่สิวายัสอลูนักอันดิลกอรไนน์วายัสอลูนโอ้ไม่ใช่ดู ザลิกะตาวิลูอะซาลิกะตาวิลูนั่นคือความหมายของการที่ท่านถ้าดาตาวีนี่เป็นคำอธิบายนะเป็นความหมายมาดัมตัสติยะอะไรสบบรอที่ท่านไม่สามารถมีความอดทนในสิ่งนั้นร่วมกับฉันได้ สาเหตุที่แยกระหว่างคอเดตกับนบีมูซาก็เรื่องอย่างนี้แหละเรื่องทนไม่ได้ไม่อดทนเพราะว่าเรื่องลับๆนบีมูซาไม่รู้แต่คอดิตรู้นี่จะเล่าให้ฟังแล้วว่าที่ตั้งกำแพงตรมๆสาเหตุเพราะว่าพ่อซอเละตายไปแล้วทิ้งลูกเด็กกำพร้าไว้สองคนอลัลลอฮ์รักษาลูกของเขารักษาทรัพย์สมบัติของเขาเห็นหเห็นยัง แล้วก็อัลลอฮฺยังรักษาอามัณฑิอรแหลกของพ่อตายไปแล้วส่งมาถึงลูกก็ลง ว, ว่าอัลลอฮฺรักษาคนดีสามรายก็หนึ่งรักษาอามัณฑิอรแหลกของเขาไว้สองรักษาลูกของเขาไม่ให้เสียคนสรักษาทรัพย์สมบัติของเขาเอาไว้ให้ลูกของเขาได้นําเอาไปใช้หลังจากบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับเอาต่อมาอายาที่83 ตวะวินแปลว่าแปลว่าความหมายหรือว่าการทำนายเหตุการณ์ตะวินตีความาการตีความตีความว่าไม่พันกำแพงเพราะอะไรที่ไม่พันกำแพงเพราะตีความว่าเพราะใต้กำแพงนีทรัพย์ ส, สมบัติรักษาเอาไว้ให้เด็กกัมพาสองคน ซึ่งพ่อของเขาเป็นคนดีสามสี่อะไรกนะครับอต่อมากับวายัสอาลูนาการซิลกอร์ในและพวกเขาพวกเขาเนี่ยหมายถึงซาบานาบีด้วยบางทีคนอื่นด้วยมาถามนาบีบางทีก็ยิวด้วยซาบานาบีบ้าง ยิวบ้างมาถามนบีวายัสอาลูนักยัสอาลูนักกนะคํานี้เนี่ยนะมีในคัมภีร์กุรอานวายัสอาลูนักะเขาทั้งหลายมาถามมุฮัมมัดถามถามถามถามเนี่ยหนึ่งถามเพื่ออยากรู้นํามาไปปฏิบัติเนี่ยซอฮามบ่าถามส่วนยะฮูดีนนะถามลอมพูมิวันนี้ ในสังคมมุสลิมเราก็มีนะถามต้งครูจะตอบได้หรือเปล่าดูตูนจมหน้าไหมาสิจ <c> ะ <oughs> นั่งการถามมีสองอย่างถามไม่ได้ผลบุญถามแบบไหนถามเพื่อนํำ ม, มาไปปฏิบัตินี่ได้ผลบุญเยอะแล้วก็ถามบนรองภูมิเนี่ยนนี้ผลบุญไม่ได้ได้ความสะใจ <c> ู <oughs> ว่าแล้วมันตอบไม่ได้เืเออเด้อกว่าไปไปเนาะเอาละผมว่าเรียกรอมคนมาทำความดีด้านด้านาศาสนาดีกว่า วายัสอาลูนักอันซิลกอร์ไนพวกเขาทั้งหลายถามมุฮัมมัดเกี่ยวกับรุลกอรไนนุลกอไนนี่แปลว่าอะไรกอนุนแปลว่าเขากอไนนนี่สองอะไรสองเขาสองเขาเนี่ยตีความกันค่อนข้างจะเยอะพอสมควร นะครับตีความกันเยอะมากในตับเตสกิบนนกัซินอธิบายไว้เยอะนะสรุปสั้นๆกูอานไม่ได้อธิบายชัดว่าหมายถึงใครสุนนนบีฮะดิษเองก็ไม่ได้อธิบายว่าใครแต่สันนิฐานอ่าสันนิฐานเท่านั้นเองว่าอัลลอฮ์หมายหมายถึงใครสรุปก็คือเป็นอย่างนี้นิยูส3นะหนึ่งขาบอกับอิสกันเดอร์อารูมี ในิ บ, บ, บวีอธิบายว่ารุ่นกรอนหาถึงสกนเ ด, รนเดรรนอร์สกันเดอร์โรมันหรือกสกันเดรอร์สกันดร์อรัลรมีที่เป็นภาษาอาหรับนะชื่อกษัต ร, ส ร, ต ร, สริสกนเดอร์กษัตริสกนเดอร์นะสกนเดอร์นะอีกกลุมหนึ่งอธิบายบอกว่ากษัตริที่โหดนะร้ายนะรุ่กอนมาถึงกษัตริที่โหดร้ายไม่รู้ว่าใครมันจะพูดว่าใคร อีกอีกคนหนึ่งอธิบายตับซิดอธิบายด้วยว่ากษัตริย์คนนี้น่ะอยู่ในประเทศระหว่างอิหร่านกับอาหรับอยู่ชายแดรนระหว่างอาหรับกับอิหร่านนะไม่รู้พวกไหนไม่รู้สมัยไหนแล้วก็ไม่รู้นะปกครองอยู่ประมาณสี่สปีโอ้นะนี่กลุ่มหนึ่งมาด้บอกละเอียดนะครับมีกษัตริย์อยู่องค์หนึ่ง อาศัยอยู่ในระหว่างอิหร่านปัตชายแดนอิหร่านกับชายแดนอาหรับก็ไปศึกษากันดูไปแล้วกันนะอัลลอ์ให้แค่นี้เองแล้วปกครองกี่ปีสี่สิบปีนะครับอีกความหมายหนึ่งบอกว่ายุลกรนนั้ก น, นก็คือคนนี้เดินทางตั้งแต่ตะวันขึ้นถึงตะวันตกเดินทางก็ไม่รู้กลุ่มไหนเหมือนกันใช่ไหมเอาละอัลลอ์ให้แค่นี้ตัว เข้าใจแค่นี้พอทีนี้อัลลอฮ์ให้กับกับยุลกอรไนเนี่ยหรายการนะให้ห้ารายการหนึ่งให้อำนาจให้อำนาจสองให้มีกองทหารโอ้ใหญ่นะเพราเอยชื่นดูคนกลัวกันหมดนะหนึ่งมีให้อำนาจสองให้กองทหารสามให้อาวุธมีอาวุธกระอาษตัวพับเบ อาวุธสงครามสี่สามารถไปปิดล้อมใครก็ได้ใช่ไหมปิดล้อมใครก็ได้อย่างท่านสุเทพว่าว่าที่ยี่สบสี่นี่แหละสนุกแน่ใช่ไหปิดล้อมได้ใช่ไหมไม่มีปัญหาข้อที่ห้าเนี่ยให้ความรู้ให้ความรู้มห้า อ, อ, อย่างหนึ่งให้อะไรให้อำนาจสองให้กองทหารสามให้อาวุธสสามารถปิดลอ้อม จะล้อมไขรก็ไดุ้กคนกรัวหมดข้อที่ห้าสรุปให้ความรู้กับกลุ่มกษัตริย์องค์นี้กับคนในประเทศนั้นไม่รู้ว่าประเทศไห น, นอ่ะนี่เป็นความรู้จากผู้รับก่อแล้วกันนะอาทีนี้วายัสอาลูนกัรวิลกอรในและพวกเขาถามมหฮัมมัดเกี่ยวกับกยุลกอรในยุลกอรได้บอกว่าสองเขานะ่ะปุล อ่าอัลลอฮ์บอกมูฮัมหมัดเอ๋ยจงอะไรนะจงอะไรนะจงเล่าอ่ากุลจงเล่าเล่าว่างนี้ซาอัตลูอะไรกุมมินฮูซิคโครจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าฉันจะเล่านะครับสักเรื่องหนึ่งของเขาแก่พวกท่านมูฮัมหมัดเอ๋ยจงตอบ กับประชาชนที่มาถามบอกว่าฉันจะเล่าเรื่องที่ท่านถามมานี้นี่นะให้กับพวกท่านฟังในตัฟซิกอธิบายอย่างนี้กษัตริย์ในโลกนี้นะอิบุลกลบีอธิบายว่ามัลลิคูลอัร์เกษัตริย์ที่มีอํานาจใหญ่ๆ ใ, ในโลกนี้นะที่อัลลอฮ์จ้องมองดูวันนี้นะมีอยู่สีกษัตริย์ด้กันมีอยูีองค์เป็นมุสลิมสอง ไม่ใช่มุสลิมสองเป็นมุสลิมสองไม่ใช่มุสลิมสองมุสลิมมีใครบ้างดุลกอร์นัยสองนบีสุไลมานบินดาวูดนี่เป็นกษัตริย์มุสลิมตัวลกอร์นัยเป็นมุสลิมอา่าดุลกอร์นัยนี่เป็นมุสลิมแล้วก็นบีไรอ้อกนบีสุไลมานนี่ไงให้อำนาจจริงบีสุไลมานเนี่ยชั้นหนึ่งเลยเพื่น้อง อำนาจมดล้นฟ้าเลยนะดีไหมดีแต่นบีโซลัยมานไม่เคยตัก้กำบุตรไม่เย่อหยิ่งไม่จงหองเหมือนฟาโรฟาโรอลัลลอฮ์ให้ใหญ่ โ, โหแต่ฆ่าเด็กแรกเลยฆ่าลูกผู้ชายหมดเอาไว้ลูกผู้หญิงนี่คุณน้องเป็นข้อคิดทั้งหมดเลยและอีกสองคนใครบ้างนุ่มรู่นนุ่มรู่นเนี่ยอลัลลอฮ์ส่งมาแต่งตั้งมาม า, มาแข่งกับใครนบีอะไร นบีบรอฮิมแล้วก็จับนบีบรอฮีมโยนใส่ไหนโยนใสไ่ไฟอัลลอฮฺวะบัตต์ตายได่ไหมตายไม่ตายพอไม่ตายลูกหลานกษัตริย์ับอิสลามเต็มเลย <c oughs> เห็นยังนี่นุมรุดคนหนึ่งนะเป็นคนชั่วนะอีกคนหนึ่งบักตีนอสบักตีนอสเวในกษัตริยนะ์เราอยู่สคนอาเพียความรู้นะเพื่นน้องกษัตริย์ในโลกนี้นะครับที่อัลลอฮฺให้นะ เป็นมุสลิมสองนบีสุลัยมานกับใครอ่ารุลกอรน์นกษัตริย์ชั่วๆเป็นกาเฟนสองคนหนุ่มรูดแขนกับนบีอิบราฮีมาลายิสลามกับบักตินอสริีย่างงี้เป็นต้นนะครับเอาผมสรุปอย่างนี้คำว่ายัสอาลูนะกอัลลอฮ์พวกเขาทั้งหลายถามนาบีเนี่ยในคุณอ่านมีอยู่สิบเรื่อง เขามาถามนาบีไอ้ที่ถามนะ่ะอยากรู้แต่มันก็มีมืองกันที่ถามเล่ามาคืออยากลองลองภูดอ่าอนาบีเป็นนบีจริงหรือเปล่าเอาผมขอสรุปนะเรื่องทีหนึ่งที่พวกเขาถามนาบีสิบเรื่องมีอะไรบ้างยาสลูนกานิลอะฮิลละพวกเขามาถามท่านนาบีเกี่ยวกับเดือนขั้งขึ้นเดือนขั้งขึ้นวันนี้เดือนขั้งขึ้นพวกเรารู้แล้วใช่ไหมเอาไปทําอะไร เอาไว้ดูเดือนเข้าวบวชออกบวชแล้วก็ไอ้เรื่องบวชทะเลาะกันใช่มมีเดือนออกมาเพื่อจะให้รู้ว่าเดือนขั้งขึ้นแต่ไม่แช่มาทะเลาะกันแต่พวกเราคนเอาเรื่องที่สองเข้ามาเองเก็ต้องการจะให้มีเดือนต้องการจะดูว่าขั้งขึ้นหรือขั้งแรงตอนนั้นเองอ น, นะแล้วคณะใหม่อันนี้ขันอักเก่าข้าก็ว่ากันไปนะ คอเรื่องที่สองยัสอาลูนาเกออนัชชาฮิลฮารอมมีกิตาลิงฟ ah พวกเขามาถามนาบีเรื่องที่สองเกี่ยวกับอะไรนะเดือนต้องห้ามเดือนต้องห้ามมีอยู่สี่เดือนนะต้องห้ามทำอะไรไม่ให้รบพุ่งกันมีเดือนอะไรบ้างอลัลลอกอธิบายเดือนอะไรกคือเกยด์ดาร์ฮิมุฮา ร, ร้อมรอนับสี่เดือนแต่พวกเรามาตีความผิด เดือนมุฮัรรอมห้ามปูบ้านห้ามสร้างซุมห้ามนิกะอัลลอ์เอาเรื่องตัวย่อมาเป็นศาสนาหมดเลยที่อัลลอฮ์ห้ามนะห้ามมาให้ทำสงครามกันทะเลาะกันห้ามมาให้ทำบาปเรากม็มาตีความว่าเนี่ยความเข้าใจศาสนามันน้อยเรื่องที่สยัสอาลูนักอาลิคอมริวันไม่ซดเขามาถามนบีเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะ ของมืนเมาแกบอะไรนะการพนันเห็นไหมของมืนเมา ก, กับการพนันวันนี้เป็นยังไงจริญ น, <c oughs> นี่เป็นเครื่องหมายของวันอะไรกิยามาั่ันมุสลิมต้องเลิกยังเด็กขาดการพนันไม่เอาของมืนเมาไม่เอารวมมาถึงบุหรีด้วยนักเรียนต้องเลิกสูบุรีให้หมดอิชอัลลอฮฺข้อที่สียัสอาลูนกอนิลยาตามาพวกเขามาถามนาบีเกี่ยวกับเด็กทำพลาเห็นยัง ของที่เขาถามในเรื่องใหญ่หมดเลยนะเรื่องศาสนาทั้งหมดนะเรื่องเด็กกำพรา้าการดูแลเด็กกำพร้าดีไหมดีเร่องอที่ที่ผ่านเมื่อตะกี้เนี่ใช่ไหมกําแพงใช่ไหมข้อที่ห้ายัสอาลูนักอาวิลมาฮีพวกเขามาถามท่านในดีเกี่ยวกับเรื่องเลือดประจําเดือนระดูเรื่องระดูเรื่องคัญมากนะที่เป็นโรคมะเร็งปากมดลูกของผู้หญิงเพราะ ไปร่วมหลับนอนกันระหว่างที่ภรรยามีประจำเดือนท่า น, นใครต้องการให้ภรรยาเป็นมะเร็งปากมดลูกเชิญ น, นะครับแต่ต้องการจะให้อลลอรักอยา่ยาอยา่อ่าให้อาบน้าชำระร่างกายให้สะอาดก่อนเราไปร่วมหลับนอนกับภรรยาให้กับสุกับภรรยาเรื่องเฮ็ดเรื่องใหญ่นะพี่น้องนะไม่ใช่ธรรมดาน ะ, ะเรื่องที่หยัสอาลูนัก า, านิสอพวกเขามาถามนะบีว่าเมื่อไรจะเกิดวัน กิยามาัใหญ่ไหมเรื่องนี้ใหญ่น่าดูเลยกิยามัดกายยังกายแล้วนะน บ, บีพอมัดมาน่ะกายกิยามัดแล้วยิ่งตอนนี้เห็นอะไรเยอะไปหมดเลยที่มันไม่เข้าท่าเข้าท้าก็ต้องอดทนต่อมาครับข้อที่เจ็ดยัสอาลูนะากาอาณิลอัมฟาอัมฟานี่แปลว่าทรัพย์ที่ได้มาที่ริบมาได้จากสงครามเนี่ยเอามาทำยังไงแบ่งยังไงเห็นไหม โอกาสโอกาสโอกาสนี้นะชนะสมน า, นา ต, อนตอนนี้แพ้ไปก่อนมีรักกับแพ้ดุ่นกัแพ้พอเราอ่อนแอถ้าเราแข็งแรงก็ชนะเอาต่อมายัสอข้อที่แปดยัสอาลูนัอันิรุวาเขามาถามนาบีเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณวันนี้เราทะเลาะกับเรื่องวิญญาณ น, นั่นแหละสมรู้อะโลกแอคบั ความจริงอ่ะอัลลอฮ์ตอบนะค ร, ราอา่านเรื่องรั่วเรื่องของใครเรื่องของอัลลอฮ์ฉันจัดการเองมนุษย์ไม่เกี่ยวแต่พูกเราดันมาสร่งรั่วกันอลกูเรียนรู้เขามินอัมริรอมบีนั่นเรื่องรั้วเรื่องของอัลลอฮ์เราไม่ต้องไปยุ่งรั่วกลับมาเที่ยวบ้านไหมคำถามมีอีกอัลลอฮ์อากบายก็ทําบุญกันอะไรกันถูกลองพี่น้องรั่วไม่กลับ อัลามบ้าราน่ะดีบวดุลยาอีกกล้ามากมาปวดหัวอีกอย่างเมียตายอ่ะมาเยี่ยมหัวหัวแต่งงานใหม่จะมาเด้อมักปวดหัวดูสิแต่ ง, งามานใหม่อีกแล้วของเราบ้านเรารถเราอีกให้เมียที่สองมานั่ง ด, ดูดูมันทำดูมันทำดูมันทำเอาต่อมาครับเรื่องที่เก้ายัสอาลูนากาอันวิลกอร์ไนนี่ไงขามเรื่องกอร น, นสองสองขาอธิบายไปแล้วเรื่องที่สิบ ยัสอาลูนักอานิลจิบาลอัลลอถามเรื่องภูเขาสรุปภูเขาเนี่ยตกบอธิบายอย่างนี้นะฟักุลยันซีฟูฮารอบีนัฟาภูเขาที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะมันจะแตกออกเป็นผุยผงผู้เห็นยังภูเขาที่วยใหญ่ๆนี่นะคุณอัานอธิบายเลยมุฮัมมัดเลยตอบไปเลย ชื y y ่ว yes, ่าใหญ่ๆนมันจะกลายเป็นผ yes, ุยผงวันที่ยามัก10บเรื่องยาสลูนะยสอลูนกยสัลูยสอลูนักบเรื่องด้วยกันครับนี่เป็นความรู้นะครับน้องทั้งหลายสุฮานะุมากันชวอัั่อัสาฟุกะวะอะตบลัยกุลามุอะลัยกุมะะ์ะุลลอฮกตุ